<Book> 43ที่สวนสัตว์ในดิวิเว์สวนสัตว์อยู่ที่นั่นที่นั่อสวนตว์นั่นนั มีอยู่ที่ไหนบูร์เอร์ชิรานเนช้างอยู่ที่ไหนบูร์เอร์เอเลฟังตเนงูอยู่ที่ไหนบูร์เอร์สแลงเนสิงโตอยู่ที่ไหนบูร์เอร์ลเวเน ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปองถ่ายวิดีโอดฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วีงดโอด้วยกวิดีฉันจะหาแบตเตอรนี่ไดอ้ที่ไหนมีกนกลพ่นกวินอยู่ที่ไหนวย จิงโจ้ อ, อยู่ที่ไหนแรดอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นที่นั่นคือร มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นที่นั่นเป็นร้านอาหารูดอยู่ที่ไหนที่ไหน och <S S ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหน Var är er t i g r a n a o c k r o k o d i l e n a